เคยได้ยินคําเปรียบเปรยที่ว่าชีวิตคือการเดินทางการเดินทางนี่ไม่ใช่เดินด้วยรถนะแต่ว่าเดินเท้าต้องอาศัยน้าพักน้ําแรงของตัวและการที่คนเราจะเดินไปถึงจุดหมายมันก็ต้องมีขาสองข้างมีขาข้างเดียวก็ไปถึงลําบากและขาทั้งสองข้างนั้นก็พอดีกัน ถ้าขาหนึ่งยาวขาหนึ่งสั้นนะมันก็กระโผลกระเพกก็ไปถึงเหมือนกันแต่ก็ลำบากแต่บางคนอาจจะไปไม่ถึงเลยขาสองข้างเนี่ยต้องพอดีกันนะเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยเลี้ยงตัวได้สามารถจะเดินไปได้อย่างมีสมดุลความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับการดำเนินชีวิตเพื่อให้เข้าถึง ความสำเร็จรวมทั้งความสุขหรือว่าจุดหมายที่สูงส่งถ้าหากช่วยขาดความสมดุลแล้วนีนะ่มันก็ลําบากนะก็ต้องเรียกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยากความสมดุลของชีวิตคืออะไรนะก็เช่นความสมดุลระหว่างกายกับใจถึงแม้ว่า จิตใจจะเข้มแข็งแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่อำนวยก็ลำบากนะบางทีคนที่เจ็บป่วยหรือว่าคดแก่กำลังใจดีแต่ว่าร่างกายไม่อำนวยการที่จะนำพาชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ประสงค์ก็ยากร่างกายแข็งแรงนะแต่ว่าจิตใจอ่อนแอนะก็ไม่ต้องพูดถึง อาจจะหลงทิศหลงทางอาจจะทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะว่าไปหมกมุ่นกับอบายมุขยาเสพติดเพราะความอ่อนแอของจิตใจนอกจากความสมดุลระหว่างกายกับใจแล้วเนี่ยยังมีความสมดุลอีกหลายคู่นะที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจไม่ช่ความสมดุลระหว่างงานส่วนรวมกับงานส่วนตัว บางคนนี่มีความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมเยอะนะแต่ว่าส่วนตัวงานที่เป็นกิจส่วนตัวแม้กระทั่งการหลับการนอนก็ไม่พอสุขภาพก็ย่ำแย่เพราะว่าทุ่มเทไป ก, กับงานส่วนรวมมากจนกระทั่งไม่ได้ดูดาตัวเองหรือว่าจนกระทั่งไม่มีเวลาทำมาหากินอันนี้ก็ ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าทําแต่งานส่วนตัวส่วนรวมไม่สนใจนะก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปยากที่จะประสบความสุขความเจริญได้เพราะว่าใครๆก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่เห็นแก่ตัวหรือว่าสนใจแต่เรื่องตัวเองเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวมันต้องได้สมดุลกันการทํางานกับครอบครัวนี่ก็ต้องสมดุล น, นะ หลายคนทุ่มเทกับงานการการทำมาหากินร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านแต่ว่าครอบครัวย่ำแย่บาดหมางหรือว่าเหินห่างกันลูกก็เหินห่างกับตัวเองหรือว่าครอบครัวแตกแยกอันนี้ก็ ไม่เยกว่าเป็นชื่อที่ประสบความสําเร็จนะเราตัวอย่างมีเยอะนะคนที่ร่ารวยแต่ว่าครอบครัวแตกแยกหรือไม่แตกแยกก็เต็มไปด้วยปัญหาลูกติดยาหรือว่าลูกไปมั่วสุมทางเพศตนะิดติดเอตอันนี้ก็เพราะาขาดความสมดุลระหว่างการทำงานกับครอบครัวสมดุลระหว่างงาน ภายนอกกับงานภายในงานภายนอกนะก็อาจจะหมายถึงการทํามาหากินหมาถึงการดูแลครอบครัวบางคนยิ่งงานการก็ดีใส่ใจรับผิดชอบครอบครัวก็เอาใจใส่ไม่ไม่ละเลยแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ต้องว่างานส่วนตัวงานภายในเรื่องจิตเรื่องใจละเลยอันนั้นก็ มีปัญหาเหมือนกันนะเช่นอาจจะทำไปมากๆเนี่ยกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายเพราะว่านะรับภาระเยอะทำทั้งงานดูแลครอบครัวให้เวลากับครอบครัวแต่ไม่มีเวลาดูจิตดูใจของตัวไม่มีเวลาที่จะทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายอันนี้เราไม่ได้ทำงานภายในงั้นเจนได้ว่าเรื่องของชีวิตนี่มันต้องอาศัยความสมดุลหลายอย่างมาก ความสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่างเรื่องส่วนรวม ก, กับเรื่องส่วนตัวระหว่างงานการกับครอบครัวระหว่างงานภายนอกกับงานภายในแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะอย่างแท้จริงเนี่ยต้องอาศัยความสมดุลที่เป็นตัวหลักอยู่ตัวหนึ่งนะซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่คือความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจ หรือระหว่างเหตุผลกับอารมณ์เนีไอ้ตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าอะไรดีถึงแม้เราจะรู้ว่าความสมดุลที่พูดมาเป็นเรื่องดีนะเรื่องกายกับใจเรื่องงานการกับครอบครัวเรื่องงานภายนอกกับงานภายในเราใช้ปัญญาไตรตรองรใช้สมองพิจารณาก็รู้ว่ามันดีแต่ว่าพอถึงเวลาทําไม่ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่า หัวใจหรือว่าอารมณ์หรือว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีกำลังมันไม่มีเรี่ยงไม่มีแรงที่จะผลักดันชีวิตของเราหรือการกระทำของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องรู้ว่าอ่ะนะกินเหล้าไม่ดีอ่ะรู้ว่าการกินเหล้าไม่ดีนะการเที่ยวเตร่ไม่ดีนะการมีกิ๊กไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ไดนะ้ใจมันไปข้างหน้าแล้ว อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของคนที่มีช่องว่างหรือว่าไม่มีความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจระหว่างเหตุผลกับอารมณ์สมองนี่ยมันรู้อะไรดีอะไรควรแต่จิตใจเนี่ยมันไม่สามารถจะผลักดันให้ทำตามสิ่งที่เห็นสมควรได้เราถือว่าการออกกำลังกายเป็นของดีการฝึกสมาธิภาวนาเป็นของดีแต่ว่า ใจมันไม่ไปในสิ่งดีกลับไม่ทำไอสิ่งไม่ดีทั้งๆที่รู้มันไม่ดีกลับทำํำเช่นอย่างที่ยกตัวอย่างกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตะหรือว่าบางทีอย่างเช่นการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็รู้ทั้งรู้นะว่าการกินอาหารขยะนี่มันมีผลต่อสุขภาพอย่างไงบางคนก็รู้ว่า อ, อืน้ําอัดลมนี่มันไม่ไมดีนะ เขาเคยมีการสาดทิศเอาน้ําอาลมนี่ไปไปไปล้างสุวมนี่โอ้มันมันล้างได้ดีมากเลยเพราะมันมีลิปเป็นกรดอ่อ น, ออนเอาโลหาไปแช่นี่ไม่กี่วันมันก็ละลายนะเห็นอยู่นะก็รู้ว่ามันมันไม่ดีแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ก็ยังกินนี่เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าสิ่งดีทําไม่ได้ไอ้สิ่งไม่ดีกลับทํา เพราะว่าห้ามใจไม่อยู่นะอย่างที่มีสำนวนที่ได้พูดไปนะว่ามันเป็นสำนวนที่เราอาจจะเคยได้ยินดีชั่วลุบหมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ไ ด, อ ด, ไได้อดใจไม่ได้เพราะจิตนี่ไม่มีกำลังไม่มีพลังที่จะหักห้ามไม่ให้ไม่ให้แล่นเข้าหาสิ่งที่เป็นโทษ ไอสิ่งที่เป็นของดีมีประโยชน์ก็กลับไม่สามารถทำให้มันต่อเนื่องได้ยั่งยืนหลายคนก็มาเสียใจนะเสียใจว่าทำไมเราทำไม่ได้นะรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีทำไม่ได้นะจิตใจอันแอะบางคนกินเหล้านี่เขาก็รู้นะว่ากินเหล้าไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้สักทีต้องแวบต้องเผลอหรือว่าต้อง เข้าไปเสพมันมีหมอคนหนึ่งก็าเ้ฟังนะว่าก็เป็นอายุรแพทย์นะก็มีคนไข้คนหนึ่งนะแกเจ็บป่วยเพราะว่าการกินเหล้ามากอาการมันก็ออกมาแล้วตับก็เริ่มแย่หัวใจก็ไม่ค่อยดีความดันก็ก็ไม่ดีเหมือนกันหมอก็ตั้งใจรักษานะ ให้ยามันก็ไม่พอนะต้องต้องคนไข้ก็ต้องร่วมมือก็คือการที่ไม่ไม่คือต้องรู้อยากเลิกกินเหล้าหรือว่ากินเหล้าให้เบาบางแต่คนไข้ก็เลิกไม่ได้สักทีนะป่วยแล้วก็มาหาหมออาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะหมอก็เลยถามว่าทําไมเลิกเหล้าไม่ได้สักที หมอบอกกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วว่าต้องเลิกนะไม่งั้นตายเร็วนะแกก็บอกว่าผมมันกลุ้มกลุ้มใจทีแรกหมอก็นึกว่ากลุ้มเรื่องงานการหรือเปล่ากลุ้มเรื่องครอบครัวไหมนะถามว่ากลุ้มอะไรกลุ้มที่ว่าเลิกท้าไหลก็เลิกไม่ได้สักทีนะก็เลยกลุ้มนะ กุมว่าเลิกเหล้าไม่ได้ก็เลยไปกินเหล้านะคิดดูใชอยากจะเลิกเหล้านะเจ้าตัวอยากจะเลิกเหล้าก็พยายามจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ก็เลยกุ้มใจเสียใจก็เลยหันไปหาเหล้านจิตใจพออ่อนแอแล้วนะมันก็มีเหตุผลสารพัดที่ทำให้เข้าหาเหล้าเลิกเหล้าไม่ได้กุ่มใจก็ไปหาเหล้านี่เป็นเรื่องความอ่อนแอของคน มีบางรายนะก็พยายามนะพยายามหาตัวช่วยที่อเมริกาเนี่ยมันมันมีคนจำนวนมากเลยเป็นเป็นโรคเขาเรียกว่าติดเสพติด ก, การช้อปปิ้งนะเาเรียกว่าช็อปช็อปเฮลิคนะช็อปฮลิคือว่าช้อปปิงนะปป้งบวกแอลกอฮอลิคนะปปนะคือพวกที่ติด ก, การช้อปปิ้งมากเห็นโฆษณาทามโทรทัศน์หรือว่าตามหนังสือนิตยสารหรือ แม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อยากได้ขึ้นมาแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นหนี้เยอะนะเพราะว่าทำเครดิตการ์ดได้ง่ายกู้เงินได้ง่ายทำเครดิตการ์ดทำบัตรเครดิตอยากได้ก็ไปออกบัตรเครดิตมาแล้วก็ไปซื้อซื้อเสร็จก็เป็นหนี้พอใช้จนหมดงวดเงินหมดวงเงินก็ไปออกบัตรใหม่ มีบัตรยี่สิบใบนี่ยังไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็รู้นะว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วคนระอบครัวก็ทิ้งแล้วเพราะการเป็นหนี้มากมายนะผัวทิ้งบ้างเมียทิ้งบ้างนะก็รู้สึกแย่มากอยากจะเลิกแต่มก็ห้ามใจไม่ได้สักทีนะเห็นที่แล้วก็อยากไปซื้อสุดท้ายก็ทํำยังไง ร, รู้ไหมเขาก็เอาบัตรเครดิตนี่แหละ ไปใส่ไว้ในแก้วน้ําแล้วก็เอาแก้วน้ำเนี่ยไปไปไว้ในห้องในช่องฟรีเซอร์ตู้เย็นนะเพื่อให้มันแข็งให้น้ำเนี่ยมันแข็งเพื่ออะไรนะเวลาอยากจะซื้อของนะก็ต้องไปหยิบเครดิตการ์ดมาแต่เครดิตการ์ดเนี่ยในตู้เย็นเนี่ยมันกลายเป็นน้ําที่น้ำในแก้วมันกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วจะดึงเครดิตการ์ดออกมาออกไม่ได้มันติดน้าแข็ง ต้องรอให้น้ำแข็งละลายก่อนนะกว่าน้ำแข็งจะละลายก็ประมาณ10นาที -15 นาทีถึงจะเอาครติตกาไปใช้ได้แต่ถึงตอนนั้นมันก็ความอยากมันจะลดลงแล้วได้สติขึ้นมาจะเอาแก้วน้ำนี่ไปใส่ดิไปใส่ไมโครเวฟนะเพื่อให้มันละลายเร็วก็ไม่ได้เ ด, เ, นะเดี๋ยวครติตการเสียนะเจอความร้อนมากๆนี่มันมันเสียนะมันเป็นแถบไม่เลยนี่คือวิธีการนะคือเรียกว่า ตัวเองเนี่ยห้ามใจไม่ได้แล้วต้องอาศัยตัวช่วยมีบางคนนี่เป็นหนี้คนเยอะมากเพราะติดการพนันหรือว่าเล่นหวยนะเล่นลอตเตอรี่ติดการพนันเยอะเป็นหนี้มากเลยตัวเองก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เขาทำยังไงรู้ไหมเขาก็ประกาศตัวเองใน facebook หรือในเว็บไซต์เลยนะว่า ฉันชื่อนี้ชื่อนี้นะฉันเป็นนี่คนมาแล้วกี่หมื่นกี่หมื่นเลี้ยนนะเรื่องประจานตัวเองเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาไปกู้เงินไปยืมเงินใครคนก็จะได้ไม่ให้ยืมเนี่เพราะว่าถ้าเขาให้ยืมแล้วมันก็หมดหมดแล้วก็เกิดปัญหาใหม่นี่ถึงขนาดนี้นะคือยอมที่จะประจานตัวเองเพื่อที่จะได้ทําตามกิเลสไม่ถนัดคือห้ามกิเลสไม่ได้แล้ว แต่ว่าทํายังไงถึงจะมีอุปสรรคให้ทําตามกิเลสไม่ได้แล้วถ้ามาถึงขั้นนี้นี่มันก็แย่แล้วนะมันจะดีกว่านี้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกใจของเราให้มีความเข้มแข็งฝึกใจขอเราให้มีความเข้มแข็งมก็สามารถที่จะทําสามารถที่จะพูดทำนะในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องได้ปัญญาหรือเหตุผลมันบอกว่าสิ่งนี้ดี เราก็สามารถจะทำสิ่งนั้นได้เพราะว่าจิตใจมีกำลังเช่นเราพิจารณาแล้วออการทำสมาธิภาวนาะมีของดีทำให้ไม่เครียดทำให้ไม่เป็นทาให้ไม่ถูกความโกรธความความเศร้าความวิตกกังวลเข้ามาเล่นงานจิตใจเราเห็นว่าก่อกางกายเป็นเรื่องดีนะ ถ้ากางก า, กายเป็นประจำนี่สุขภาพก็จะดีเมื่อเราเห็นชันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องฝึกใจให้แข็งแข็งเพื่อที่สามารถจ ะ, ะทำสิ่งที่เหตุผลบอกว่าดีได้นะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะของการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสาเร็จและมีความสุขถ้าจิตใจอ่อนแอแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคิดเก่งแค่ไหนนะ มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปในทางที่ถูกได้ปัญหาคนสมัยนี้คือว่าคิดเก่งมากนะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณรู้หมดแต่ว่าทำไม่ได้เด็กก็เป็นนะเด็กก็รู้วนะ่าการขยันเรียนนะการทาการบ้านเป็นของดีแต่ห้ามใจไม่ได้พอโทรทัศน์มาก็ เอาแต่ดูโทรทัศน์หรือไม่ก็เอาแต่โทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมออนไลน์ถามว่าเด็กรู้ไหมว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะเด็กก็รู้ว่ไม่ดีแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้สมัยนี้เราจะเปรียบไปก็เหมือนกับรถที่มีกําลังแรงคนสมัยนี้เหมือนกับรถที่มีกําลังแรงแต่ว่าไม่มีเบรคนะมันไม่มีเบรครถแบบนี้จะ หน้าขับนะจะหน้านั่งไหมแม้นะแต่หลวงพ่อคุณก็คงไม่กล้านั่งรถแบบนี้นะรถที่เร็วแรงแต่ไม่มีเบรกช่วคนสมัยนี้เหมือนคนที่เก่งในเรื่องการปีนปี น, ป, นปีนต้นมะพร้าวหรือปีนต้นไม้แต่ลงไม่เป็นนะเหมือนกับเครื่องบินที่สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ได้สูงแต่ว่า มันไม่มีล้อที่จะลงนะหรือเหมือนคนขับที่เก่งในการขับให้มันขึ้นสูงแต่ไม่รู้วิธีล่อดลงมานะอันนี้ก็คือเปรียบเที่บคนที่คิดเก่งนะแต่ว่าใจอ่อนแอดังการฝึกจให้เข้มแข็งนี่เป็นสิ่งสําคัญมากการฝึกสมาธิภาวนานะมันก็เป็นวิธีการฝึกให้จิตใจมีความเข้มแข็งมันเข้มแข็งตั้งแต่ว่า อดทนนะต่อความเบื่อหน่ายนะแทนที่จะไปเล่นไปเที่ยวไปกินต้องมานั่งฝึกสมาธิให้ได้ครบตามกำหนดเวลาแม้แต่5นาทีเนี่ยก็มีคุณค่ามีความหมายนะอย่าไปประมาทนะแค่5นาทีถ้าทำเป็นประจำนี่มันทำให้มีกำลังมา ก, กิจมีกำลัง เคยมีสมัยที่หลวงปูด่ดูพรห ม, มปัญโยนะวัสแกอยุทธิยายท่านมารณาพาไปหลายปีแนละ้วท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อมากคราวนึงก็มีชายหนุ่มสองคนนะมาหาท่านสองคนที่เป็นเพื่อนกันนายกอ่อนนายขอนายกอนี่ก็พาเพื่อนซึ่งซึ่งติดเล่ามาด้วยพอมากราบหลวงปู่เสร็จนะนายกอก็บอกเพื่อนซึ่งติดเล่าว่าเนี่ย ใ ห, ให้ให้รักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเพื่อนก็ในขอก็แย้งว่าจะจะทำสมาจะรักษาศีลจะปฏิบัติสมาธิได้ยังไงนะฉันยังกินเหล้าอยู่เลยนะพูดเถียงพูดแยง้งพูดปฏิเสธต่อนหน้าหลวงปูด่ดูหลวงปู่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยแกจะกินก็กินไปนะ ฉันไม่ว่าแต่ว่าให้ทำสมาธิให้ฉันได้ไหมห้านาทีก็พอห้านาทีแค่นั้นเหรอชายผู้นั้นก็เลยบอกว่างั้นได้นะแล้วเพลินคือเราคนนี้แกเป็นคนที่ตั้งใจจริงนะคือรับปากหลวงพ่อไปแล้วก็ต้องพยายามทำ ห้าหนาทีก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแกก็เลยทําทุกวันวันละห้าหนาทีห้าหนาทีบางวันเนี่ยเพื่อนชวนมากินเหล้าแต่ว่าเป็นช่วงที่กําลังนั่งสมาธิพอดีก็เลยปฏิเสธไปเพราะว่าได้สัญญาลับปากกับหลวงพอ่อหลวงปู่ไว้แล้วเรก็ทําไปทําไปนี่เลิกเหล้าได้เลยนะถึแงแล้วไม่ไปกินเหล้าเพราะว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่แต่ตนหลังเนี่ยทาไปทำมาเนี่ยจิตใจเนี่ยก็สงบ และจิตใจก็มีกําลังจากการที่ได้ทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันจิตมันมีกําลังพอมีกําลังก็สามารถที่จะปฏิเสธปฏิเสธคําขอของเพื่อนได้รวมทั้งปฏิเสธไอความเสียงเรียกร้องของกิเลส ข, ข้างในกิเลสมาบอกไปกินเหล้าเถอดกินเหล้าเถอดนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยสามารถจ ะ, ะปฏิเสธ เพราะว่ามีความเข้มแข็งแล้วสุดท้ายชายคนนี้ก็เลิกเล่าได้ตอนหลังก็เกิดศรัทธานะไปบวชก็บวชอยู่นานทีเดียวนะชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าทาสมาธิแค่วันละห้านาทนะีอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆในจิตจะมีกำลังจริงถ้าหากว่าเราฝึกตั้งแต่เด็กด้วยเนี่ยนะ ริงดีมากการฝึกเด็กให้มีความรู้จักมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักอดทนรอคอยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจที่เข้มแข็งได้เมื่อ40ปีก่อนไ ม, ม่เคยมีการทดลองครั้งหนึ่งครั้งสำคัญนะที่มีชื่อเสียงมากและตอนหลังก็มีคนเอาไปทดลองนะเพราะว่ามันไม่ยากอะไรเลย ก็คือเอาเด็กอายุ4ขวบเนี่ยประมาณ20กว่าคนเข้ามาในห้องในห้องนั้นเนี่ยนะก็มีถาดขนมของฝรั่งนี่ก็ใช้มนะัชมันโลเนี่ยมัชมัโลซึ่งเป็นขนมที่เด็กชอบกติกาก็มีง่ายๆว่าเด็กเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้คนละ1ชิ้นแต่ถ้าเด็กรอ15นาทีจะได้กิน2ชิ้นเด็กทุกคนก็รู้ว่า2ชิ้นดีกว่า1ชิ้นนะ เด็กทุกคนก็อยากกินสองชิ้นมาก็อยากกิน1ชิ้นแต่พอผู้ใหญ่ออกจากห้องไปนะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยอดรนทนไม่ได้นะต้องคว้าขนมมากินไม่ทันถึง15นาทีเลยก็คว้าขนมมากินแล้วก็ได้ชิ้นเดียวมีส่วนน้อยประมาณหนึ่งใน3เนี่ยที่อดทนจนกินได้จนถึง15นาที แล้วก็เลยได้กิน2ชิ้นก็มีคนเอาไปทดลองแบบนี้เยอะนะส่วนใหญ่ก็ ค, คล้ายๆกันก็คือว่าเด็กส่วนน้อยเท่านั้นที่อดทนถึง1 5นาทีคราวนี้นมันไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าการทดลองนี้เนี่ยเขาทำเมื่อ40ปีที่แล้วใช่หหลังจากนั้นเ็าก็ตามตามผลตามผลเด็กที่เขาเอามาทดลองที่ผ่านการทดลองแล้วก็พบว่าพอเด็กเหล่านี้โตขึ้นเข้าชั้นป เขาชั้นปฐมมัธยมเข้ามาเทไลไรแล้วก็ทำงานเนี่ยปรากว่าเด็กกลุ่มที่สามารถหักห้ามใจได้อดทนรอคอยได้เนี่ยเขาประสบความสาเร็จในชีวิตเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะดูในแง่ของคะแนนการเรียนนะอย่างเช่นนะเขาเพบว่าเด็กที่อดทนได้ถึง15นาทีเนี่ย พอพอจะสอบข้อหมายถลยเนี่ยข้อสอบกลางที่พู้นี่สอบเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวเลขเฉลีย่ยนะถึง200รกว่าคะแนนเนี่ยข้อสอบกลางที่เราใช้เข้าหม า, ายถลยก็เรียกว่าแซทสกอร์เด็กกลุ่มนี้นี่พอโตขึ้นเนี่ยทำได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง200คะแนนนอกจากเรื่องการเลื้สุขภาพก็ดี เพราะว่าไม่กินเหล้าไม่ค่อยกินเหล้าไม่สูบบุหรี่อา่านขยะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วก็การทํางานก็ประสบความสําเร็จนะได้ก้าวหน้าในการงานตรงข้ามกับเด็กกลุ่มที่อดอดใจไม่ได้นะกินมัชเมลโลไม่กินนาทีก็คว้าไปคว้าไปกินกินคว้าไปใส่ปากนะประกอบการเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคน เรียนไม่จบแม้กระทั่งชั้นไฮสคูลนะก็คือชั้นมัธยมสูงมัธยมปลายเรียนไม่จบลาออกหรือเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนไม่จบก็มีแล้วพวกนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็สูบบุหรี่กินเหล้าพอโตขึ้นนะทำงานก็อาจจะติดหนักกว่านั้นรวมทั้งการเรียนรวมทั้งการทำงานก็ไม่เคยดีแล้วก็น้ำหนักก็อ้วนนะเพราะว่า อชอบกินอาหารขยะพวกเนื้อนมไข่แฮมเบอร์เกอร์วันนี้ชอบนั ก, กแหลห้ามใจไม่ได้คือก็เห็นความแตกต่างเลยของเด็กสองกลุ่มนี้เมื่อโตขึ้นนะมันก็เลยเป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงมากนะถ้าเราไปไปเปิดไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปคลิกวิกิพีเดียนี่ก็จะเจอนะที่เขาเรียกว่าสแตนฟอร์ดมาร์ชเมลโล่เอ็กซ์เพลเมนต์อันนี้มันเป็นมันช่อเห็นเลยว่า ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยมีจิตใจที่อดทนรู้จักคอยเนยเขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและในชีวิตได้ได้ง่ายกว่าหรือได้มากกว่าคนทั่วไปความรู้จักอดทนรอคอยเนี่ยมันต้องใช้กํลังกลังใจต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะอีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยง นะในโรงเรียนนะให้มีความอดทนให้รู้จักควบคุมตัวเองควบคุมความอยากของตัวเองได้ความอดทนกับการควบคุมความอยากการอดกั้นต่ออารมณ์พวกนี้มาเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธหรืออารมณ์อยากนะเดี๋ยวพวกนี้จะมีความสามารถในการทนทานต่อสิ่ง ย, ยั่วยุสิ่งล่อเราได้มาก แล้วมันจําเป็นมากสำหรับสังคมสำหรับคนในยุคนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่ง ร, ร่ำเร้าเย้ายวนมันเยอะมากสิ่งเย้ายวก็มีนะเย้ายวให้โกรธนะเย้ายวให้เกลียดกันก็เยอะสิ่งที่เย้ราร่อเร้าให้อยากก็เยอะนะแลดีนี้เด็กหรือแม้กระทั่งวัยรุนร่นรวมทั้งผู้ใหญ่ก็ติดอะไรต่างๆมากมายสมัยก่อนไม่เคยมีก็ติดนี่ก็ติดกันเยอะเช่นติด facebook ติดไล ne ติดเกมออนไลน์สมัยก่อนไม่มีนะไอการติดแบบนี้เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้ในการติดเล่าติดบุหรี่นี่มันมันก็ไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าติดอย่างอื่นมากมายเข้ามาอีกนะแล้วก็เลยการเรียนก็ไม่ประสบความสําเร็จการทํางานก็มีปัญหาหรือว่าสุขภาพก็ย่าแย่ด้วย ด้นในเรื่องการของการฝึกจิตให้ให้ให้เข้มแข็งมีกำลังเนี่ยมันสำคัญมากนะมันจะเป็นส่วนที่สร้า ง, ส, างสมดุลระหว่างความที่ความคิดเก่งความรู้จักคิดคิดเก่งคิดเร็วคิดรัว่วรั่วอะไรเก่งอะไรดีแต่ขณะขณะเดียวกันจิตใจนี่ก็สามารถที่จะมีกำลังขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้ใ้การทดลอง ที่ว่าเนี่ยามาจากสแตนฟอร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรื่องการให้ความสำคัญการเลี้ยงดูเด็กนะให้มีความรู้จักทนรอคอยแต่ถึงแม้โตแล้วนี่ก็ยังทำได้นะยังทาได้มันก็มีนักฝรั่งอยู่2คนเนี่ยเขาไปไปทำการทดลองเมื่อไม่เมื่อสัก78ปีที่ที่ผ่านมานี่น่าสนใจข้อคนประมาณสัก 24คนอายุตั้งแต่18ถึง50มาเข้าคอสออกกําลังกายเช่นยกน้ำหนักนะยกน้ำหนักเล่นแอโรบิกประมาณ2อาทิตย์นะประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนมีการออกกําลังกายทุกวันนะแน่นอนเขาเอาเอาคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเนะี่ยมาเข้าการทดลองนี้แล้วก็พอหลังจากผ่านไป2เดือนเนี่ยแน่นอนสุขภาพดีขึ้น แต่เขาเพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่ดีขึ้นตามมาด้วยเช่นอะไรนะเช่นคนเหล่านี้เนี่ยกินเหล้าน้อยลงสูบบุหรี่น้อยลงกินอาหารขยะน้อยลงคนที่ติดกาแฟก็กิกนน้อยลงแล้วก็ามาให้เวลากับการทำงานหรือว่าการเรียนมากขึ้นเพราะมีทั้งส8เนี่ยถึง50 50ขบบขวบนะ ให้เวลากับการเรียนมากขึ้นให้เวลากับการทํางานมากขึ้นแล้วก็เป็นโรคมีโรคซึมเศร้าน้อยลงคือเขาแปลกใจว่าทาไมมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพกายดีขึ้นแต่ว่าการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นด้วยเขาก็ไม่ไแน่ใจเป็นเพราะอะไรเขาก็เลยไปทดลองใหม่นะคราวนี้แมวออกกาลังกายแล้วเอามาเข้าคอร์สการการควบคุมการใช้เงิน พอฝรั่งเนี่ยนะมันก็มีปัญหาใช่ไหมว่าหาเงินได้เยอะก็จริงนะแต่ว่าใช้จ่ายเยอะมากจนเป็นหนี้เพราะว่าสิ่ง ล, อล่อเราในยุบริโภคนิยมนี่มันเยอะมากเขาก็เอาคนมาบ้าสักเนี่ยยี่สคนเนี่ยมาเข้าคอร์สมาเข้าโปรแกรมการควบคุมการใช้จ่ายเงินโดยให้แต่ละคนกําหนดว่าตัวเองเนี่ยจะใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่นะจะเหลือเดือนเท่าไหร่ แล้วก็จะกําหนดกติกาว่าจะไปกินอาหารนอกบ้านอาทิตย์ละกี่ครั้งกําหนดกันเราเองไปดูหนังนอกบ้านกี่ครั้งนะแล้วก็พราะว่าผ่านไปสี่เดือนฐานะการเงินนะรายรับรายจ่ายของคนของกลุ่มนี้ดีขึ้นแล้วก็พรว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่ น, น, นตามมาคล้ายๆกับกลุ่มที่ไปออกกําลังกายคือว่าการ สูบบุหรี่การกินเหล้าหรือแม้่กินกาแฟาก็น้อยลงเขาพบว่านคนที่ติดบุหรี่นะสูบบุหรี่น้อยลงถึง15น้อยลง15มวนต่อวันลดไปเลยนะสิ 15. มวนต่อวันเนี่ยคนที่ติดบุหรี่บางสงว่วนกินบางส่วนสูบบุหรี่เยอะมากนะวันละาจะ20่สมวนแต่ว่าลดไปเลย15มวนโดยเฉลี่ยต่อวันคนที่ติดกาแฟก็กินกาแฟน้อยลง 2- อสแก้วนะโดยเฉลีย่ย สุขภาพดีขึ้นนะดูโทรทัศน์น้อยลงนะแล้วก็มีเวลาทำงานการเรียนก็ดีขึ้นมากขึ้นเขาก็ยังไม่พอใจนะก็ไปไปไ ป, ไปทดลองอีกแบบนึงนะคือให้คนประมาณสัก40คนได้เนี่ยไปไปเข้าคอร์สพัฒนาการเรียนนะ ตอนนี้ก็เอาเฉพาะพวกวัยรุ่นนั่นนะนักศึกษาคลอชิปก็ประมาณ4เดือนนะทุกคนก็ต้องมีการจำกำหนดโปรแกรมการเรียนการศึกษาการทำรายงานปรากว่าผ่านไปนี่การเรียนดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าที่แปลคือที่สอดคล้องกับอีก2ครั้งก่อนก็คือว่าให้การบริโภคการใช้ชีวิตดีขึ้นด้วย แล้วก็ออกกําลังกายมากขึ้นด้วยนะทั้งที่ว่าไอ้คอร์สนี่มันไม่มีเรื่องออกกําลังกายแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอผ่านคอร์สเนพอผ่านคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างคอร์สนี่ด้วยเนี่ยออกกาลังกายมากขึ้นนะใช้เครดิตการน้อยลงทั้งที่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการการอบรมในคอร์สเลยก็ก็มานั่งพิจารณาว่าเอ้ไ อ, ไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นคลี่ายกันเลยทั้งที่ผ่านกิจกรรม ที่แตกต่างกันอะไรเป็นเหตุทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิตเขาก็พบว่ามีตัวเดียวที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง น, นั่นคือกําลังใจกําลังจิต ท, ที่เข้มแข็งกําลังจิต ท, ที่เข้มแข็งก็ทําให้คนเหล่านี้เนี่ยนะเขามีพลังในการต้านทานปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี การบริโภคอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเขาก็มีกําลังใจสามารถหักห้ามใจได้ไม่กินอะไรที่เขาเห็นว่าดีเช่นการออกกําลังกายการทํางานการการเรียนศึกษาเนี่ยพอเห็นว่าดีเนี่ยมันก็มีเรี่ยวแรงที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ทําให้ความสําเร็จนะแล้วก็ความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยของคนกลุ่มนี้มันดีขึ้น และแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาทำต่อไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยการที่จะวอกเข้าหาสิ่งที่เราเราย้อยวนให้ชีวิตย่าแย่สุขภาพเสื่อมโทรมก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นแบบอย่างหรือแนคิดที่ดีนะว่าการที่คนเราเนี่ยจะดําเนินชีวิตหรือนําพาชีวิตไปในทางที่ที่ถูกต้องได้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง นะคนที่ตัวอย่างที่พูดมานี้เา็าไม่ได้อาศัยสมาธิภาวนาเลยนะนะแต่เขาอาศัยการฝึกจากการใช้ชีวิตทางโลกเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราก็พูดกันนะว่าในงานที่สำคัญนะแต่ว่าไม่ด่วนเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์นะเช่นการออกกำลังกายการการทำสมาธิ การเตรียมตัดเตรียมแผนงานนะการเตรียมตัวแต่เนินเน่นๆเป็นของดนะีแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทํากันที่จริงมไม่ใช่มีแค่นี้นะจริงๆสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ด่ว น, น ย, ยังมีอีกหลายอย่างเช่นการให้เวลากับพ่อแม่นะการให้เวลากับลูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่มันไม่ด่วน พอไม่ด่วนเนี่ยมันก็แปลว่าไม่มีเส้นตายพอไม่มีเส้นตายก็หมายความว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้พอทำเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยถัดผ่อนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เลยไม่ทำนะนี่เป็นปัญหาของคนจำนวนมากเลยก็คือว่าอะไรที่ดีรู้ว่าดีแต่ถ้าไม่ด่วนไม่มีการบังคับก็จะผัดผ่อนไปเรื่อยๆตั้งใจว่าเนี่ยปีใหม่นี้จะเลิกเหล้าปีใหม่นี้จะเลิกบุหรี่นะ แต่พอใกล้ถึงปีใหม่นะหรือพอถึงวันปีใหม่ก็ไม่เอาละขอปีหน้าก็แล้วกันผัดไปปีหน้าหรือผัดไปครึ่งปีหน้านะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะมันแสดงถึงความที่จิตใจเนี่ยไม่เข้มแข็งรู้วันน้าว่าดีแต่ทําไม่ได้และสิ่งที่ทําสิ่งที่กินเวลานะคนทุกวันนี้คืออะไรนะก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีเส้นตาย เรื่องงานการที่มันมีเส้นตายต้องรีบทาวันนี้ต้องรีบส่งวันพรุ่งนี้ต้องรีบส่งวันมะรืนนี้นะอะไรที่มีเส้นตายนี่เราจะเราจะให้ความสำคัญกับมันมากหรือเราจะให้เวลากับมันมากและสิ่งที่มีเส้นตายเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่มีสำคัญนะเช่นงานการแต่บางอย่างก็ไม่สำคัญนะแต่มันมีเส้นตายเช่นงานสัปดาห์หนังสือนะมันมีกาหนดเวลาที่แน่นอนนะ 25มีนาถึง7เมษาไอเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะอยากจะไปเยี่ยมพ่อแม่แต่ว่าขอขอก่อนนะไปงานสัปดังสื่อก่อนหรือว่าอยากจะทำสมาธนะิแต่ว่าตอนนี้คืนนี้มีมิดไนท์เซลนะต้องไปก่อนไอสิ่งที่มันด่วนมันดึงเวลาเราไปมันดึงความสนใจของเราไปทําให้เราไม่มีเวลาที่จะทําในสิ่งที่สําคัญแต่มันไม่ด่วน ทังที่สิ่งที่ด่วนที่ดึงเวลาไปอา จ, จะไม่สําคัญก็ได้อันนี้เพราะว่าเราเนี่ยนอกจากจะไม่มีวินัยนะแล้วเนี่ยมันยัง ม, มีความไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานให้สิ่งรบเ ร, าเราเ้ายั่วยวนหรือว่าเสียงเรียกร้องของกิเลสได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะมีการฝึกจิตอยู่สม่ําเสมอนะทำสิ่งดีๆแม้จะไม่นานแต่ทําทุกวัน ออกกำลังกายนะทำเวลาไม่นานแต่ทำทุกวันอาจจะ10นาที20สนาทีนั่งสมาธิ5นาทีแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยมันมีกำลังนะสามารถที่จะทำให้เราหักห้ามใจนะหรือว่าอดใจที่จะทำสิ่งที่ไ ม, ไม่สมควรได้ การสามสมาธิพอนะก็เป็นอันนึ่งนะที่ถ้ า, ากว่าเราทำบ่อยๆนะทําไปเรื่อยๆนะเราจะไ ด, ได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งขันติเอื้อความอดทนรวมทั้งวิริยะความเพียรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราให้เวลานะแม้จะเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าจะมีมันจะมีพลังมากก็ฝากาไว้นะะคํานี้พูดกันไปตอนนี้กล่าวภาพรพร้อมกัน